ทั้งนี้เพื่อที่เราจะได้รวบรวมนะกำลังศีลกำลังธรรมและกำลังบุญบารมีทั้งหมดเป็นการเชื่อยเหลือนะทั้งประเทศชาติและครอบครัวของเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีงามและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพรางได้ได้ทราบว่าปัจจุบันนี้เราทั้งหลายก็ได้ ประสบกับปัญหาต่างๆด่ า, า, าเศรษฐกิจการเมืองสังคมและภัยพิบัติต่างๆขยายทั่วไปึเป็นกฎของไตรลักษ์นี่เราทั้งหลายได้มาร่วมกันในครั้งนี้โดยใช้หลักสูตรในการปฏิบัติวิธีการหลวงพ่อเทียนกิติสุโพซึ่งได้ทราบจากรายงานผู้ดำเนินการว่าส่วนใหญ่ได้ผ่านวิธีการ การปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนมาเป็นส่วนใหญ่แล้วเนาะดังนั้นเองก็เอามาก็ได้นาเสนอว่าการรุมเครื่องนี้คือการศึกษาสภาวะทำสภาวะจิตเพราะว่าในแง่ของทฤษฎีหลักวิชาการกทฤษฎีวิชาการทางด้านกมรมฐานกนดีและทางด้านสมถะและวิปัสสนาเนี่ยท่านทั้งหลายได้รับกันมามากพอแล้วซึ่ง ในวิธีการพูดเทียนเนี่ยท่านต้องการแปลนะความสมมุติที่เราได้รับทราบมาทั้งหลักทฤษฎีต่างๆเนี่ยให้เป็นภาคปฏิบัติดูว่าจะเอามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหนนะในการมาเข้าศึกษาแต่ละครั้งเนี่ยถือว่ามาเป็นการ เ, เพิ่มกำลังนะมาเพิ่มกาลังของปรมาต ธ, ธรรมให้มีกำลังมากขึ้น พราะตัวพุทธศาสนาคือตัวปรามิตสภาวะคือตัวความจริงล้ ว, ลวนๆที่มีอยู่ในกายในใจของเราเนี่ยแต่ว่าถ้าเรายังสัมผัสความจริงที่มีอยู่ในกายในใจของเราไม่ได้ตลอดเวลาก็เรียกว่าเรายังไม่เข้าถึงพระพุทธศาสนาเพราะความจริงล้ ว, ลวนๆหมายถึงว่ามันไม่มีการปรุงแต่งใดๆแต่มันมีความรู้สึกออกมาตรงๆทางกายก็มีความรู้สึก สบายและไม่สบายแล้วก็ธรรมดาปกติเป็นกลางทางใจก็เช่นเดียวกันก็มีความรู้สึกความรู้สึกสบายไม่สบายและปกติเป็นกลางเหมือนกันทีนี้สภาวะอย่างเนี้ยบางคนก็มีมากบางคนก็มีน้อยบางคนก็เข้มแข็งบางคนก็ยังไม่เข้มแข็งการเข้ามาปฏิบัติแต่ละครั้งหมายถึงว่ามาทำหลักการ ของปรมัติตเนี่ยให้เข้มแข็งมากขึ้นเป็นที่อยู่ของจิตของเรานะเพราะว่าทางกายภาพเรามีที่อยู่อาศัยไม่ว่ า, าแผ่นดินประเทศชาติและบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเพื่อคุ้มแดดคุมฝนคุมปกครองพยันตรายต่างๆให้พ้นจากภัยพิบัติในแงน่ของทางด้านรูปธรรม ท, ทั้งร่างกายเนี่อลรู้จักวิธีการในที่จะจัดการ ให้ตนเองอยู่ในที่ปลอดภัยได้หลายๆแบบแต่ในแง่ของจิตใจของเราเนี่ยบางคนก็ยังไม่รู้จักว่าจะรักษาจิตใจของเราเยอยู่ในที่ปลอดภัยได้ตลอดเวลาได้อย่างไรอันนี้ก็คือที่เราจะมาศึกษาถ้าเกิดมาในชีวิตนี้เรามีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจก็ถือว่าการเกิดของเราไม่ไร้ผลไม่เป็นหมันและก็คุ้มค่าในการเกิดมา แต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีความปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจกเรียกว่าเกิดาการเกิดมาของเรานี่ก็เรียกว่ายังไม่คุ้มค่าความเป็นมนุษย์ของทุกคนไปนสิ่งสูงสุดมีวิวัฒนาการมาหลายหลายล้านปีกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะได้มาร่างได้ร่างอันนี้ได้จิตใจอันนี้เนี่ยวัฒนาการมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วก็นับว่าโชคดีที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาส ซึ่งมากกว่าอีกหลายล้านคนที่ยังไม่มีโอกาสอย่างท่านทั้งหลายเมื่อท่านมีโอกาสอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ทําให้ดีที่สุดดังนั้นาาศาสนพิธีวิธีการต่างๆเราก็ทําทกันช่วงสั้นๆเพราะท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธที่มีศรัท ธ, ธาพร้อมแล้วเนี่ยได้ผ่านพิธีการทางาศาสนามาต่างๆหลายระบบหลา ย, ลา ย, ลายวิธีแต่นั้นก็คือเป็นไปเพื่อความ ดีงามความเหมาะสมทางสังคมแต่ว่าความดีงามความเหมาะสมทางด้านจิตใจของเราเนี่ยอาจจะมีหรือไม่มีเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ก็ได้แต่เราจะรู้ตัวของเราเองดังนั้นในวิธีการวัฏทิยนใครจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยก็นับว่ามีบุญมีกุศลมากพอสมควรเพราะวิธีการนี้ต้องยอมรับว่าเป็นวิธีการที่ดูเหมือนง่ายแต่ยาก ดูเหมือนง่ายแต่ยากเพราะว่ามันเป็นการทำแบบไม่สุดโต่งไปทั้งสองด้านคือไม่จริงจังมากเกินไปและในขณะเดียวกันก็ไม่หย่อนยานมากเกินไปเป็นการรักษาให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในสายกลางตลอดเวลาตรงนาทางสายกลางนี่เองที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นทางที่ท่านค้นพบ แต่เวลาเนี่ยจิตใจของมนุษย์ของเราเนี่จะเวียงไปสู่ตรงทางซ้ายและทางขวาเสมอทางซ้ายก็คือชอบความสะดวกสบายนะทางขวาก็ชอบความยุ่งยากลำบากนะไปคนละแบบเวียงไปเวียงมาอย่างนี้ตลอดเวลาอันนั้นคือสมุทัยของทุก์ของมนุษยชาตินะเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็ออกแสวงหาว่าอะไรเป็นทางออก ในที่สุดท่านก็มาพบทางสายกลางคือความพอดีระหว่างความตรงทั้งสองด้านตรงไปซ้ายขวาการที่จะรักษาและประคับประคองจิตให้อยู่ตรงกลางพอดีนี่ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์เป็นทางของผู้มีศรัทธาไม่ใช่ทางของผู้มีศรัทธาเป็นทางของคนมีความเพียรไม่ใช่ทางของคนไม่มีความเพียรเป็นทางของคนมีสติ ไม่ใช่เป็นทางของคนไร้สติเป็นทางของคนมีสมาธิไม่ใช่เป็นทางของคนขาดสมาธิและเป็นทางของคนมีปัญญาไม่ใช่เส้นทางของคนไม่มีปัญญาที่พุทธเจ้าล่าวไว้ดังนั้นเองคุณสมบัติทั้งห้าประการเนี่ยทุกท่านได้ผ่านทางฝ่ายทฤษฎีมาแล้วดังนั้นเองเราจำเป็นจะต้งพิสูจน์ให้เห็นว่าเรามีคุณสมบัติอันนี้ที่เป็นฝ่ายปรมาทุด้วย คือมีศรัทธาที่แท้จริงมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิและปัญญาที่ถูกต้องซึ่งเราต้องมาพิสูจน์กันนะดังนั้นในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่แปนะอาตมาภาพทั้งสามรูปก็จะทำหน้าที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นกไกด์นำมิตรแต่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ในฐานะอาตมาได้เดินทางสายนี้มาก่อน ตั้งแต่พศ2อ2 0เป็นต้นมาถึงปัจจุบันนั้นประสบการณ์ถึง40ปีเนี่ยมาคิดว่าจะไม่ทาไม่นำท่านทั้งหลายไปทางที่ผิดพลาดนะเพราะว่าในระยะที่ได้ศึกษาวิธีการนี้กับหลวงพ่อเทียนอย่างน้อยที่สุดก็สิปีก็พอจะทราบว่าอะไรเป็นอะไรและมาดำเนินการเพื่อพิสูจน์ความจริงอันนี้มาเรื่อยๆจับนั่นมา จนถึงปัจจุบันก็ได้รับผลคือมีความปลอดภัยทางร่างกายและจิตใจมีความปลอดภัยร่างกายก็หมายความว่าเรามีความเข้าใจในภัยพิบัติต่างๆรอบด้านของเราว่าอันไหนมันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายเราก็พยายามหลีเกเลี่ยงและป้องกันตั้งรับในทางที่เหมาะสมะแล้วก็ในด้านจิตใจเราก็รู้ว่า ภัยพิบัติทางด้านจิตใจนั้นมีอะไรเราก็พยายามศึกษาในเรื่องนั้น อ, อย่างถูกทางแล้วก็ทำให้จิตใจของเราปลอดภัยจากสิ่งนั้นด้วยดังนั้นคอสนี้ตามที่เราฟังรายงานว่าเราศึกษากฎของไตรลักษณ์เพื่อ น, นำไปสู่กฎของไตรสิขานั้นกฎของไตรลักษณ์นั้นเป็นความไม่ปลอดภัยของด้านร่างกายถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาอย่างเข้าใจ มันก็จะนำความไม่ปลอดภัยไปสู่ด้านจิตใจด้วยเพราะนั้นเราก็จึงต้องมาเปลี่ยนแปลงกฎของไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้ก็ต้องนำเข้าสู่ภาคปฏิบัตินั้นมาก็เลยแบ่งเป็นทั้งาสามกลุ่มย่อยนะสามกลุ่มที่สี่กลุ่มกลุ่มที่หนึ่งก็คือ กลุ่มที่เคยปฏิบัติมาแล้วมีประสบการณ์มาหลายครั้งทางด้านเก็บอารมณ์ทางด้านศึกษาในวิธีการปฏิบัติมาหลายคอร์สในหลักการนี้อย่างน้อยกลุ่มนี้ต้องเข้าใจว่าการดูแลทางด้านจิตใจให้ปลอดภัยจากความคิดเนี่ยทำอย่างไรเพราะความคิดนั้นเป็นที่มาของกิเลสทันหาอุปทานต่างๆถ้าเราจัดการความคิดให้ถูกต้องได้กิเลสทันหาก็มาไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ย เป็นกลุ่มที่ลักษณะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงได้นะเป็นพี่เลี้ยงได้ซึ่งก็มีหลายท่านที่เคยผ่านมาตรงนี้ซึ่งได้ได้ประกาศในเวลาต่อไปกลุ่มที่สองก็เป็นกลุ่มที่ได้ผ่านการปฏิบัติม า, าหลายคอร์สแต่ว่าการเก็บอารมณ์อาจจะยังไม่ได้เคยเข้าหลายครั้งก็มีประสบการณ์ส่ว น, นก็สามารถที่ช่วยด้านธรรมบริกรได้ส่วน ส่วนกลุ่มที่สามนี่ที่ไม่เคยเข้าปฏิบัติเลยก็มีเหมือนกันมีถึงสิบสองท่านนะก็แบ่งเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆนั้นในกลุ่มที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใหม่เนี่ยก็จะเน้นให้ได้หลักอย่างน้อยที่สุดงานนี้อย่างต่ำต้องให้เข้าใจรูปนามเป็นหลักคือเข้าใจว่าความรู้สึกทางกายเป็นอย่างไรความรู้สึกทางใจเป็นอย่างไรแค่เข้าใจ สองหลักนี้ก็ถือว่าเราพอมองเห็นทางแล้วว่าทางซ้ายทางขวาที่เราจะมาหาเส้นแบ่งกลางระหว่างกายกับใจนี่อยู่ตรงไหนนี่คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัตินะพอเรามีหลักทั้งสองด้านคือหลักของรูปกับนามกายกับใจนี่ถ้าหาว่าไปสุดตรงไปท่าด้านกายก็ขอให้เกิดความทุกข์ทางจิตถ้าสุดตรงไปเรื่องจิตก็ขอให้เกิดความทุกข์ทางกาย ทีนี้นเราปรับกายกับจิตให้เกิดความพอดีตรงนี้เราจะปรับอย่างไรนะก็จะได้ดำเนินการไปตามหลักการในวิธีการโัฏเพรียงทีนี้ในแต่ละวันนะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนความเหมาะสมไปเรื่อยๆเพราะในวิธีการโัฏเพรียนี้ไม่มีอะไรที่ตายตัวนะความเหมาะสมความสมดุลสมควรของแต่ละคนแต่ละสถานที่แต่ละโอกาสไม่เหมือนกัน ตจำที่มาเดินดูเมื่อวานก็มีสถานที่ที่ค่อนข้างหลากหลายบางทีอาจจะใช้นอกอาคารบางทีก็ใช้ในอาคารบางทีก็ใช้ในที่โร่งแจ้งซึ่งอันนี้ก็เป็นศึกษาการเป็นวันๆไปนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ น, นี้มีท่านผู้โสหลายๆท่านมาเข้าอย่างหมอระพินซึ่งเคยเข้าปฏิบัติร่วมอตมาตั้งแต่สมัยโหเทัยมีชีวิตอยู่ ปีสองห้าสองศูนนุ่นสาสิบสี่สิบปีท่านก็ยังเนียวแน่นติดตามปฏิบัติมาโดยตลอดนะซึ่งได้เคยไปทำไปช่วยงานอยู่ที่นะครปฐมสมัยนั้นท่านเป็นหมออยู่ที่นั่นอึ่งคุณวิชัยนะก็เคยปฏิบัติมาหลายครั้งซึ่งท่านเหล่านี้ล้วนได้ผ่านการเก็บอารมณ์ได้ผ่านการเข้าคอร์สมาหลายๆลากล่าวและมีความเข้าใจในหลักการอันนี้พอสมควรแต่ว่า ท่านทั้งหลายได้เคยผ่านในการวิธีการอลุดหมแบบวิธีการแบบหนอซึ่งมัก็เคยทาํามาและเมื่อมาต่อยอดด้วยวิธีการของพ่อเทียนทั้งอนาปานาสติแบบสนมุกมาก็ได้ได้ศึกษาอยู่กับท่านมาอง์ละสองสาปีหลวงพ่อผุ้เลาทบ้า ง, งพ่อเชาพุนโชโดกบ้างเยคย อ, อยู่ปฏิบัติกับท่านมาแต่พอมาพบในวิธีการของพ่อเทียนเหมือนกับการส่งทอด การส่งทอดมาจนต่อยอดมาจนถึงวิธีการนี้นะเหมือนกันลอกข้าบมาเป็นระยะระยะดังนั้นเองก็หลายท่านก็ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพื้นฐานแบบหนอมาแล้วก็ถือว่ามั่นใจได้ระดับหนึ่งที่เราจ ะ, ะนำมาสู่การพัฒนาไปสู่ตัวสภาวะไดะ้เป็นธรรมชาติมากขึ้น เพราะโดยหลักการของอานาปนสติก็ดีทางอนาปนาปนาสติแบบนับลมหายใจหรือนับหนอก็ดีเนี่ยก็เรียกว่ามีส่วนเสริมให้เรามีสมาธิเข้มแข็งได้ระดับหนึ่งแต่พอไปถึงระดับหนึ่งมันต่อไปไม่ได้คือเมื่อไปถึงระดับที่จิตสงบมากแล้วเนี่ยบางทีเราจะเดินทางต่อเราไปไม่เป็นเนื่องจากเราขาดประสบการณ์ขาดครูพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ ต่อเมื่อมาได้พบกุบาจารย์หลายท่านในวิธีการโพธิเทียนนี้เองก็ได้รู้ทางออกอท่านก็บอกทางไปให้เราเราก็ดําเนินต่างก็ทุกฐานกําบมนฐานที่ต่อยอดขึ้นไปเหมือนกับเจดีจากฐานกว้างไปสู่ฐานที่เรียวขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> จนเป็นฐานหลักฐานยอดดังนั้นท่านทั้งหลายถ้ามาในวิธีการอันนี้แล้วอาจะมีอะไรผิดแปลกแตกต่างออกไปก็ <c oughs> ถือว่าเป็นการศึกษา ว่าเราเรียนนักปถมมัธยมขึ้นไปอุดมศึกษาเพราะฉะนั้นการเรียนวิธีการเรียนก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นคนไหนที่ยังเคยติดเคยยึดของเก่าเอาไว้ก็ต้องวางไว้ก่อนเรามาศึกษาสิ่งใหม่ๆร่วมกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวอร์ชั่นของอัตมาของหลวงพ่อนี่เองก็นําไปใช้มีการวิเคราะห์วิจัยผ่านมาเรื่อยๆว่าเมื่อกายของเราประกอบด้วยรูปกับนามกายกับใจเนี่ย เราจะทำอย่างไรให้เสริมซึ่งกันและกันรูปก็เสริมให้จิตใจใเข้มแข็งและจิตใจก็เสริมให้ร่างกายเข้มแข็งเราจะทำอย่างไรเพราะปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าร่างกายของเราได้รับมลภาวะ ต, ต่างๆบีบคั้นในหลายๆด้านไม่ว่าอากาศอาหารอารมณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ทําให้ร่างกายของเราอ่อนแอช่วงหลังเอามาเองก็ได้รับผลกระทบเช่นนั้นเหมือนกัน เราจะเดินทางไปสู่เป้าหมายไม่สําเร็จถ้าหากว่าพาหานะเราไม่เข้มแข็งเช่นว่ารถของเราที่เราใช้เนี่ยมันไม่เข้มแข็งเวลาขับไปสู่เป้าหมายมันเกิดช้ำรุดสุดเสื่อมอกลางทางเกิดเสียกลางทางแล้วก็ไปไม่ถึงเป้าหมายมาเลยเปรียวว่าร่างกายนี่เปรียบเหมือนพาหานะคือรถจิตใจนี่เปลี่ยวเหมือนคนขับดังนั้นคนขับจะต้องรู้วิธีขับรถและรู้ที่ การซ่อมแซมรถตัวเองด้วยแล้วเราถึงจะพาร่างกายและจิตใจที่ไปสู่เป้าหมายเป้าหมายของเราคืออะไรคือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั่นคือเป้าหมายของเราเพราะถ้าหากว่าเราไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเรากลับมาอีกเราก็จะมาทุกข์อีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะทุกข์ไปอีกนานเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปสู่เป้าหมายนั้นเป้าหมายในการไม่ต้องกลับมาอีกเม่อคราวเราพ้นจากทุกข์เนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดเนี่ยเราก็ จบกันทีเรื่องทุกที่เราทุกกันมาหลายหมื่นหลายแสนชาติเนี่ยทุ ก, กันมานานแต่เราจำมันไม่ได้เท่านั้นเองดังนั้นเองการมาปฏิบัติในวิธีการของพระเทียนเนี่ยมันก็จะต้องทุกอีกแบบหนึง่งทุกเหมือนกับว่าเราจะผ่าฟีซึ่งจะต้องทนเจ็บเพื่อที่จะรีดเอาหนองหรือเอาน้นํามนี่ออกให้หมดซึ่งนั้นหมายความว่าเราจะต้องมีการผ่าตัดก็ดีมีการบุ๋งเอาน้ําเอาน้องออกก็ดีจะต้องเจ็บปวด นั้นในช่วปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องถูกนิวรณต่างๆแบบเสมือนหนามหรือหนองที่มันบ่มอยู่ในใจของเราเนี่ยเราจะต้องเอามันออกอย่างไรซึ่งในแต่ละวันเก็จะบอกวิธีกันไปโดยที่ท่านหลายก็ตามศึกษาไปเรื่อยๆฉะนั้นในวิธีการนี้จะไม่มีการนั่งหลับตาหรือนั่งนิ่งๆ น, นานๆแต่จะมีการปรับหาความสมดุลในใจในใจของเราอยู่เสมอเสมอเพราะว่า ตัวกายก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามกฎของไตรลักษณ์ตัวใจก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าหากว่าเราไม่สามารถควบคุมกฎของไตรลักษณ์ให้อยู่ในระดับที่พอดีจิตใจก็ได้รับผลไปด้วยนะดังนั้นในแง่ของอศึกษาสภาวะเราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของไตรลักษณ์เนี่ยที่เป็นรูปธรรม ไม่ใช่เห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยับนึกคิดเอาว่าเอออันิีจังไปอย่างนี้ทุกขงังไปอย่างนี้อนัตตาไปอย่างนี้แล้วเอามาคิดตามตัวหนังสือตามคําสอนของกูบาลอาจารย์ไม่ใช่แต่เราจะต้องเห็นไตรลักษณ์ในตัวเราจริงๆว่ามันทํางานอย่างไรการทำงานทางกายเนี่ยมันทํางานอย่างไรไตรลักษณ์เมื่อเราไม่สามารถที่จะดูมันได้ตลอดสายเนี่ยไตรลักษณ์มันก็จะไปเปลี่ยนเป็นรากเหง้าของอกุศลได้อย่างไรเนี่ย เราก็จะศึกษาเรื่องนี้ในแต่ละวันนะเมื่อกี้เราอริธนาอะไรนะอาณาสินแปดใช่ไหมความจริงก็คื อ, อข้อระเบียบข้อสัญญาที่เรามาทุกคนรู้จักดีแล้วเนาะเรื่องศีลเรื่องที่ทำกันมานานแล้วสมัยที่จะมาไปฟังเรื่องศีลห้าสินแปดจากหลวงพ่อเทียนเอามาก็เกิด ความไม่ไม่เห็นด้วยกับท่าน น, น <ะ S 1> ั่นนะว่าสิลห้าสินแปดท่านต่างท่านพูดถึงสินที่เป็นปรามาตร์อ่าสินที่เราสมทานกันหมายถึงสินห้าสินแปดโดยทั่วไปเพราะสิน้วยปรามัตร์ก็มีห้าข้อแต่มันจะครอบคลุมหมดทุกๆุกสินนะนะคําว่าสินนี่เขียนไว้ไงเคยเห็นนะเนาะเคยเขียนเป็นนะเนาะเขียนว่าไงเราเขียนอะไรน้องสศลา ใชะอแล้วลอลิงนะพุ้ น, ค, นคุ้นกับว่าคำว่าศิลาไหมเขียนเหมือนคำว่าศิลาไหมศิลาแปลว่าอะไรแปลว่าหินทนำะไมชื่อเอาเอาชื่อของหินมาตั้งเป็นศิลหินมีลักษณะอะไรบ้างหนึ่งแข็งเนาะเข้มแข็งสองไม่วันไหวมีอะไรสาม แตกผูกง่ายไหมไม่แตกง่ายสามเวลาโยนลงเนี่ยมันอยู่ที่ลึกหรือที่ตื้นซื้อโยนลงน้ําเนี่ยมันลอยหรือมันจมจมอยู่พ้นน้าเลยนะแล้วก็สี่เวลามันตากแดดมันจะเป็นไงร้อนแล้วมันตากฝนตากอยู่ในน้ํามันก็เย็นอ่ะมันปรับตัวดำอ่าปรับตัวตาำสภาพแวดล้อม ท่านก็เลยเอาลักษณะของขินเนี่ยไปชื่อของศิลว่าคนที่มีศีลหนึ่งจะเป็นคนที่หนักแน่นเป็นคนหนักแน่นสองเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวต่ออะไรง่ายๆสามเป็นคนที่ปรับตัวได้ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมศีก็คือเวลาไปตกที่ตรงไหนมีอะไรมาทุบมากระแทกมาอะไรมันก็ไม่แตกได้ง่ายหมายความว่า มันเป็นสภาพที่คงที่สี่เวลาไปตกในน้ำเป็นแช่ในน้ำมันก็ไม่ละลายถ้าจมลึกท่านเปรียบเสมือนของจิตั้งคนมีศีลเนี่ยตั้งลักษณะมีความเข้มแข็งมีความอดทนไม่หวั่นไหวมีความจิตใจไม่กัดแกว่งไปกับสิ่งที่มาการะทบได้ง่ายมีความลึกซึ้งแล้วก็ปรับตัวอยู่ให้เหมาะสมอยู่เสมอ ทีนี้ในเรื่องของศีลที่บัญญัติไว้ว่าเป็นข้อที่หนึ่งที่สองที่สา ม, ท, สาม ท, สที่สี่ที่ห้าเราุ้นกันจนเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเลยนะว่าทำไมจะต้องเอาเรื่องของการฆ่าสัตว์มาไว้ข้อที่หนึ่งเพราะคนทุกคนโดยสัญชตาตญาณเนี่ยเราต้องการความปลอดภัยนะต้องการความปลอดภัยใครจะแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆไ่ยุงมาบินเกาะเรามันยังกลัวตาย นั้นเองเพราเราในแง่ของศีลท่านบอกแปลว่าห้ามค่าสัตว์ที่มันแค่ไปถ้าสมมติว่าเรานั่งไปแล้วเราไม่สบายนั่งไปแล้วมันอืดอาดมันปวดแข้งปวดขาเนี่ยลักษณะนี้ถือว่าแข้งขาของเราที่มันปวดมันเมื่อยมันหนักนี่ถือว่ามันมันปกติัหมมันปกติปกติแบบปวดใช่ไหมแล้วร่างกายปกติมันจะปวดอย่างงี้ไหม มันไม่ด้ปวดแต่เออมันไม่ได้ปว ด, แ, ด, ปวดแสดงว่าที่มันปวดนั้นมันผิดปกติแล้วใช่ไหมอ่ะศีลโดยปรมาจึงไปลว่าปกติอะไรก็ตามที่ผิดปกติไปโดยปรมัตึงถือว่าผิดละเพราะนั้นเวลาเรานั่งนานๆนั่งสมาธินานๆร่างกายเราเกร็งเราแข็งเราทื่อเราปวดแล้วไม่ทําให้ปกติเนี่ยถือว่าร่างกายผิดศีลและถ้าผดิร่างกายเราจะง่วงไหมง่วงพอพับกเอลี่ยงไหม ไม่ง่วงครอบครัไหนอ้วงโยนข้อพักคอยังถือว่าผิดปกติไหมอ่าผีศีลแล้วอันนี้ในแง่ของปรามัดนะเพราะในแง่ของปรามัดนี่เขาว่าศีลอ่าเพราะนั้นถ้าเราเห็นใครผีศีลง่วงๆแล้วก็ตบหลังนะตื่น ๆ, ๆมันผิดปกติแล้วนะผีศีลนล้วร่างกายผีศีล น, นี่ดีหรือไม่ดีไม่ดีเพราะนานๆไปร่างกายเราไม่สบายเพราะฉะนั้นคนผีศีลอยๆเขาจะเป็นคนป่วยเพราะะ ไ, ได้สั่งสมความไม่สบายทีละนิดๆ น, ดๆ น, ด น, ด น, ดนะ นี่ว่าสินแปลว่าปกติเพราะฉะนั้นการรักษาร่างกายให้ปกติคืออย่าให้มันถ้าร่างกายปกติมันสบายไหมไม่สบายหรอกเดี๋ยวเจ็บตรงนั้นเดี <c oughs> ๋ยวปวดตรงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอึดอัดใช่ไหมร่างกายปกติมันไม่ค่อยสบายแต่ท่านบอกว่าให้พอทนได้เอาไม่พอทนได้ถ้าสบายเกินไปก็ผิดปกติถ้าไม่สบายเกินไปก็ผิดปกติเพราะร่างกายธรรมบุติมันก็สบายนิดหน่อยแต่ไม่สบาย บ่อยๆแต่อย่าให้มันมากเกินไปนั่นคือปกติถ้าคนไหนรักแต่ความสบายโดยไม่ให้ร่างกายนี่ทุกอย่างลำบากไม่ให้มันหนักไม่ทําอะไรหนักเลยนั่นมันผิดปกติในที่สุดร่างกายเราก็จะอ่อนแออ่าไม่มีภูมิต้นานทานแต่ถ้าหาคนไหนทาให้ร่างกายผิดปกติบ่อยๆร่างกายก็สั่งสมความเจ็บป่ยวยในที่สุดร่างกายก็ไม่สบายเจ็บป่วยเป็นโรคภัยใก้เจ็บนี่เพราะฉะนั้นท่านบอกให้รักษาศีลข้อที่หนึ่งคือทั้ง ฝ่ายสมมุติและฝ่ายปรมัตดฝ่ายปรมัดหมายความว่าทําให้ตนเองให้พอดีอย่าให้ลําบากเกินไปและอย่าให้สบายเกินไปโดยปรมัตดแต่โดยสมมุติก็หมายความว่าเราไม่ได้เอาความลําบากที่เกิดจากตัวเราเองไปทําให้คนอื่นลําบากถ้าไปทําให้คนอื่นลําบากทั้งกายทั้งใจเราก็ผิดศีลแล้ละอย่าว่าจะไปฆ่าใช่ไหมแต่ทําให้เขาสุกข์สื่อลำบากใจนี่เราก็ผิดศีลแล้วละนะนี่ในแง่ของศีลปรมัดจะละเอียดกว่าศีลสมมติถ้าศีลสมมุติหมายถึงเอาไป ข้าันฟันแทงอะไรที่เราเห็นด้วยทั่วไปเพราะนั้นแม้แต่การนั่งสมาธิก็สามารถจะผิดศีลได้ไหมผิดได้ถ้ามันเกินพอดีอ่านั้นในแง่ของวิปัสสนาเราก็จะมาเน้นที่ความพอดีแต่แง่ของสมถะฤตบะเนี่ยจะเกินพอดีหรือจะต่ำกว่าพอดีก็ไม่เป็นไรเพราะเราถือว่าเป็นการฝึกฝนเนาะการฝึกฝนการบาเพ็ญ แต่เ ม, มื่อการฝึกฝนการบําเพ็ญให้ร่างกายได้รู้จักสุขจากทุกได้ระดับหนึ่งแล้วก็มาปรับหาความพอดีนะซึ่งพุทธองค์เองที่ท่านได้เคยทํามาก่อนเนี่ยท่านได้บําเพ็ญทุกขิยากราิริยาไปบําเพา็ญตบะกับฤาษีที่เป็นอาจารย์ทั้งสองท่านมันท่านทําน ท, ท, ทั้งห้าหกปีในที่สุดท่อกโอ้ถ้าหากว่าดําเนินการนี้ต่อไปนานๆคงไม่ไหวอะ่ะมันไม่ใช่ทางล ะ, ะ, ะ, ะทีนี้ท่านก็มาหาทางของตัวเองว่าเอ๊ะถ้าไอทางที่พอดีมันแค่ไหน ที่ร่างกายจะไม่ทุกข์เกินไปร่างกายที่ไม่สุกเกินไปที่พอดีพอทนได้เนี่ยมันแค่ไหนเธอก็มานั่งเฝ้าดูเฝ้าดูนานไหมเฝ้าดูคืนเดียวถ้ารู้หมดเลยนะแต่ท่านลำบากมาหกปีอ่นะลำบากมาหกปีพอนั่งดูหาความพอดีแค่คืนเดียวก็เห็นอ๋อเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่รู้ไปคิดว่าร่างกายเนี่ยทาให้เกิดกิเลสเราไม่รู้ไปคิดว่าจิตใจเนี่ยทาให้เกิดกิเลส แต่ความจริงร่างกายและจิตใจมันไม่ใช่มีกิเลสแต่ความไม่รู้จักอ่าท่านตั้งต้นตรงนี้นะความไม่รู้จักกายตามความเป็นจริงไม่รู้จักใจตามความจริงตัวนี้แหละเป็นตัวให้เกิดเป็นเหตุของทุกท่านใช้คำว่าอวิชชาอะาเพราะไม่รู้จักกายอ้าวทำไมไม่รู้จักกายเราอยู่กับกายมาทั้งนั้นรู้จักอ่ารู้จักแบบไหนรู้จักตามความเป็นจริงก็คือท่าสี่ขันห้าแต่รู้จัก ไม่ถูกคือรู้จักไม่จริงรู้จักที่มันไม่ใช่ทางก็ไปรู้จักว่ า, ร, าร่างกายนี้เป็นเราอ่าพอร่างกายนี้เป็นเป็นเรามันก็มีของของเรามันก็จะมีรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสของเราถ้าหากว่าใครมากระทบของเราปับ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาล่ะนี่แล้วว่าไปสําคัญมั่นหมาย ร, าร่างกายว่าเป็นของเรามีเจ้าของแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่ของเราเป็นของธรรมชาติที่เกิดจากอะไรอ่าเกิดจากวิบากกรรม ที่เราเกิดมาในพราะวิบากกรรมนะถ้าเราไม่มีวิบากนี่ยเราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นวิบากกรรมมารับเศษวิบากต้องมานั่งทุกข์นั่งทนนั่งดูแลรักษานั่งทามาหาหกินเพื่อเลี้ยงมันนะเลี้ยงวิบากอันนี้แถมถ้าหากว่าเลี้ยงมันไม่ถูกไปสร้างวิบากใหม่ต่อไปอีกเราเกิดมาด้วยวิบากกรรมเพราะฉะนั้นเราก็มาอเอาตัวนี่แหละตัวกุศลส่วนนึ่ที่ได้เกิดมาและตัวอกุศลส่วนหนึ่งที่เรามีทุกข์ได้ทุกข์ติดตามมาด้วยเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นกุศล เราก็เอาตัวเนี้ยตัวกุศลมาต่อเอาโดยมาศึกษาเรื่องศีลนะเพราะฉะนั้นศีลข้อหนึ่งท่านบอกอ่ะยาเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการเบียดเบียนตนเองก็ผิดศีลปรมัดการเบียดเบียนผู้อื่นก็ผิดศีล ส, สมมุติอ่าเราฟังในเรื่องผิดศีลสมมุติถึงจะเป็นถึงจะเป็นผิดศีลเป็นบาปใช่ไหมแต่เราไม่ค่อยนึถึงศีลปรมัดคือการทําให้ตนเองให้ลําบากทำกายให้ลําบากทําใจใลําบากนั่นแหละ เราก็เป็นทุกข์อ่ะเป็นทุกข์เพราะเบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนคนอื่ น, นะด้วยการไม่ผิดศีลท่ามที่เป็นสมบูรณ์ประมาทข้อที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นบางคืนเรานอนไม่หลับอ่านสาเหตุอะไรนอนไม่หลับพลิกไปพลิกมามือกายหน้าผากผิดศีลไหมผิดศีลแล้วเป็นไมาผิดบ่อยม่ศีลแบบนี้ ฟีดบ่อยๆเธอแก้ยากด้วยนะเพราะแสดงว่าเราต้องไปทําอะไรมาสักอย่างนะวันวันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องมาปรับอาผิดศีลอะไรสักอย่างนั่นที่นี่ผิดศีลข้อที่สองนะว่ามันมีของของเรานะลักขโมยเป็นว่าลักขโมยแต่ความจริงแล้วเราตั้งจิตเจตนาว่าเราจะไม่ เอาสิ่งที่ไม่ใช่ว่าเป็นอันนี้ของเราเอามาเป็นของเราแต่ความจริงในศีลข้อสองเนี่ยว่ามันไม่มีมันผิดตั้งข้อแรกว่าเราสําคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นเรามันก็จะมีของเราตามมานะตามสมมุตินะะว่ามันมีเราสมมุติว่าเป็นเรามันก็ต้องมีของของเราเี่ยแต่ถ้าหาของของเราเนี่ยถ้าใครมาละเมิดปั๊บเนี่ยก็ถือว่าผิดศีลแล้ แต่ว่าเราเคยละเมิดทรัพย์ของตัวเองไหมเช่นเราเอาทรัพย์ของตัวเองไปเล่นการพ น, นันไปซื้อในสิ่งที่จะเป็นโทษเป็นภยัยมาให้ทำร้ายตัวเองนี่ก็ถือว่าขโมยทรัพย์ของตัวเองทรัพย์ที่ได้มาก็หมายความว่าเป็นของพ่อแม่เป็นของครอบครัวเป็นของอลูกภรรยาสามีถ้าเราเอาไปใช้ในทางที่ไม่จําเป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวไม่เป็นประโยชน์ต่อ ผู้ที่อยู่ร่วมกันก็ถือว่าเราขโมยทรัพย์ของตัวเอง่อสวนใหญ่เราไม่เราไม่ได้คิดในมิตินี่นะเราไปเอาของคนอื่นมาก็ผิดศีลแต่ว่าเราเอาของของเราเนี่ยไม่ผิดศีลแต่ความจริงมันผิดศีลประมาทนะตอนั้นเองส่วนใหญ่าการที่จะไปรับขโมยของคนอื่นเราสูญเสียทรัพย์สินเราคนอื่ น, นคนอื่นสูญเสียทรัพย์สินเนี่ยพวกเราเนี่ไม่ค่อยมีละแต่การที่เราใช้ใจ่ายทรัพย์สินของตนเองไปจนทําให้ตนเองลําบาก อันนี้ก็เป็นการขโมยทรัพย์ของตนเองในมิตินี้เรามักจะไม่คยพูดถึงกันนะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไปเอาความรู้ต่างๆเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกอันนี้เ็าเรียกเป็นการขโมยอันหนึ่งขโมยความรู้ของผู้อื่นแต่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรามาศึกษาเพื่อให้ตัวเองเกิดความรู้ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างความรู้ของเราเองแล้วหาความรู้ของเราเองดังนั้นในสีลข้อเนี้ยในแง่ของสมมติหมายความว่าเราไปรักของคนอื่นในแง่ปรมัตดคือเรารักของตัวเองนะแต่หลายคนนึกไม่ออกเอ๊ะฉันรักของตัวเองยังไงคือของของเราเองเนี่ยเราทําให้เสียหายเนี่ยของของเราเองเราทําให้สิ้นเปลืองของของเราเองเราไม่ทำให้อ่าไม่รักษาไม่ดูแลให้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นบีสี่ข้อสองได้ในแง่ของสี่ข้อสาม การละเมิดนะคือระมัดระวังคือการมีสตินั่นเองการมีสติคือมีศีลแล้วเกิดความร ะ, ะมัดระวังที่จะบางทีของในห้องเรามันอาจจะไม่หายแตกถูกหรือก ร, กระจายไม่เป็นระเบียบอ่าหมายของว่าะสิทธิทีเราถูกละเมิดล ะ, ะมีคนนําไปใช้มีคนมาทําแล้วไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ก็าปีศินข้อยสแต่ปีศินข้อยสโดยสมมุติบอกเอาไปรูปไปผิดรูกผิดเมียของเราของของผูององง้อื่น แต่ว่าในแง่ของปรามัดก็คือทําให้คนอื่นรู้สึกไม่สบายที่เราไปและเมิดในสิทธิของของเขาบางสิ่งบางอย่างเช่นว่ายืมของเขาไปใช้หรือของเขาอยู่ดีๆแล้วเราเอาไปใช้แล้วไม่ไปเก็บที่เดิมนี่ก็เป็นและเมิดอสิ่งข้อยสามโดยโดยปรามัดแหละนะ น, นั่นเองศีลกับสติจึงเป็นเรื่องเดียวกันนะถ้าหากว่าเราเอามาใช้ในแง่ของ ด้านสมมติเราเรียกว่าศีลเอามาแง่มาใช้ในแง่ของด้านปรามัดเรียกว่าสติอ่าเราถึงคอยระลึกนั้นการที่จะรักษาศีลได้ดีนั้นท่านว่าให้รักหัวรักษาหัวใจของศีลหัวใจของศีลมันมีแค่สองอย่างศีลน่าจะเป็นศีลห้าศีลแปดศีลสองร้อยิบเจดศีลสามร้อสี้อยก็ตามแต่ให้รักษาสองข้อนี่สองข้อเนี่ยอะไรเป็นหัวใจของศีล อาจจะมีนิทา น, นสั้นๆแล้วให้ฟังห น, หน่อยเนาะนิทานสั้นผมบอกว่านักศึกษาของสำนักหนึ่งนะถ้าไปเรียนกันเรื่องสีเรืเร่อง ส, สมาธิปัญญาเนี่ยให้สอบทีละข้อละข้อ แ, อแต่และข้อก็เรียนกันหลายปีเหมือนกันเถอะทีนี้เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วก็ต้องมีการสอบนะพระฤาษีเป็นอาจารย์ก็สอบบอกว่าให้ทุกคนข้อสอบข้อเดียวนะ ให้ทุกคนไปขโมยของมาหนึ่งชิ้นโดยไม่มีคนเห็นถ้าหากว่าขโมยมาหนึ่งชิ้นถ้าคนเห็นถือว่าสอบตกแตถ้าไม่มีคนเห็นถือว่าสอบได้เนี่ยอันนี้เป็นทริคของอาจารย์นะทุกคนนักเสี่ยมาสามสิบคนเข้าไปบางคนก็ได้เข็มมาเล่มหนึ่งบางคนใบไม้ของบ้านนั้นมาใบหนึ่งโดยอย่าให้เจ้าของก็เห็นเมื่อมาในที่ประชุมปับ๊บอาจารย์ก็ถามว่าใครบ้างที่อ่าขโมยของมาไม่ได้ ยกมือคนเดียวนอกนั้นได้มาหมดทุกคนนะเขาก็ถามว่าเอาทำไมไม่ได้ต้องมีคนเห็นทุกที่พ่อข้อแม้ของอาจารย์ว่าต้องไม่มีคนเห็นนะเอาทําไมเขาตั้งยี่สิบเก้าคนไม่มีคนเห็นเลยแต่ผมเป็นคนนะครับอาจารย์ผมเป็นจ ม, มยของใครในผมรู้ว่าผมเป็นคนผมก็ไม่กล้าเข้ามยเพราะกมเห็นตัวเองอยู่ว่างั้นปรากฏว่านักสารุ่นนิสสาวสิบคนผ่านได้คนเดียวเพราะฉนั้นนักศึกษาคนนี้มีอะไรอ่าอาจารย์บอกฮิลิโอตปัสมปนา สุกธรธมะสมาหีโตสันตัสปุริซาโลเกเ ท, ทวาธรรมติวุเจเลว่าใครก็ตามที่มีหิเิโอตปะคนนั้นถือว่าเป็นผู้มีหัวยแจของศีลโดยแท้เมื่อมีหิเดโอตปะแล้วนี่ศีลทั้งหมดมันอยู่ที่นี่ไอ้โชคกลัวบาปไอ้การไอ้โชคกลัวบาปข้างนอกถือว่าเป็นยังเป็นสมมุติอยู่กลัควคนอื่นเห็นหนี่นะแต่ถ้ากลัวตัวเองเห็นเนี่ยเป็นศีลปรามัตด เป็นหัวใจของสิลเมื่อเรามีความอาชั่วโกบาปการเจิะเมิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไม่าไม่เกิดเกิดความละอายใจขึ้นมาแล้นั่นเองสติที่เราจะเจริญเนี่ยถ้าเป็นสัมมาสติแล้วจะต้องก่อให้เกิดสินตัวนี้คือก่อให้เกิดฮิริโอตปาถ้าสติใดๆที่เราได้ประพฤติเบื่อต์มานานขนาดไหนก็ตามนะ แต่ในจิตใจของเรายังไม่เกิดฮิริโอตาปะถือว่าสตินั้นไม่เป็นสมาสติเอามามันึกถึงหลักสูตรของนวโกวะที่พระมหาสมณเจ้าท่านบัญญัติไว้สีข้อในหน้าเดียวนะทุกเล่มผู้บวชใหม่เนี่ยจะต้องสืกษสาหน้านี้ก่อนเป็นระดับแรกเขาเรียกว่าโอวาสสำหรับผู้ใหม่ชุดแรกก็คือสติความรื้อึกได้สัมปัยะความรู้ตัวทำสองประกาศนี้เป็นพระหูประกาศธรรมเปรียบเสมือนพ่อแม่ นะอันที่สองพ่อแม่ต้องรักษาลูกตามหน้าที่ใช่ั้ยเพราะนั้นเราจะรักษาศีลหมายความว่าสติสมญา ด, ดีแล้วมันจะต้องก่อให้เกิดตัวฮีดีโอตปะคือรักษาใจนะถ้าสติสมยามีหน้าที่รักษาใจใจนั้นจะรักษาได้ถูกต้องนั้นก็จะต้องให้เกิดฮีดีโอตปะ เพราะรู้ว่าความชั่วและบาปนั้นทำให้ใจมันเสือ่อมใช่ไหมทำให้ใจมันเสียทำให้ใจมันทุกข์ถ้าหากว่ารักษาใจได้คือมีสติแล้วฮิริอุตะปาก็จะรักษาใจชื่อว่าสตินั้นเป็นสมมาสติเพราะมีตัวยืนยันคือฮิริโอตปะปาได้แก่ศีล น, นะทีนี้ตัวศีลก่อให้เกิดสมาธิได้อย่างไรเป็นชุดท่าที่สาชุดที่2อฮิริอุตะปท่านใช้คาว่าทำที่รักษาและคุ้มครอง คนในโลกได้คือทําสองประการพิเรอตปะนะและคําทุ้มครองสองประการนี้จะต้องดําเนินไปสู่ด้านภายในจะต้องก่อให้เกิดทำประการต่อมาท่านใช้ว่าขันติโสระจะเพราะฉะนั้นขันติโสระจัก ะ, ะ, ะ, ะจึงเป็นหัวใจของสมาธิคือความอดทนเพราะฉนั้นในวิธีการการเคลื่อนไหวเนี่ยต้องใช้ความอดทนไปอันมากอดทนต่ออะไรบ้างหนึ่งอดทนต่อความขี้เกียจสองอดทนต่อความ ง่วงเหาเข้นอนแต่คนไหนนั่งง่วงนี่ถือว่ามีความอดทนไหมไม่อดทนเพราะอย่างง่วงอยู่ถ้าถ้าอดทนแล้วต้องไม่ง่วงนะสามอดทนต่อความหมุนหงิดอึดอัดขัดเคืองนะสี่อดทนต่อความง่วงเอาเขอานอนห้าอดทนต่อความฟุ้งซ่านหกอดทนต่อความคิดปรุงแต่งอันนี้เพราะฉะนั้นตัวที่ทําให้อ่าร่างกายและจิตใจเนี่ยงดงามมีสองอย่าง คือขันติและโสรจัส่วนใหญ่มีความอดทนแบบหน้าดำคำเครียดใช่ไหมอดทนแบบเกร็งแบบเครียดแบบบังคับแบบกดบีบคั้นอันนี้ไม่สบายละทั้งร่างกายก็ไม่งามทั้งจิตใจก็ไม่งามแต่ว่าอดทนอย่างงดงามไม่ใช่ว่าขันติโสระจักรนั่นคือสมาธิเพราะฉะนั้นหัวใจสมาธิก็คือความอดทนอย่างผ่อนคลายถ้าอดทนแบบเคร่งเียดไม่ใช่นะอดทนแบบผ่อนคลายเรียกว่าขันติโสระจัก ส่วนรัตน์แปลว่างดงามนะเอาละทีนี้ตัวนี้ก็จะเป็นยืนยันว่าคุณรักษาศีลมาถูกไหมคือตัวมีความอดทนมีความเสงี่ยมงามแสดงว่ารักษาศีลมาถูกถ้าลักเสียนศีลมาถูกเกิดหัวใจของสมาธิก็จะทําให้ทําให้เกิดหัวใจของปัญญาใครทราบว่าหัวใจของปัญญาคืออะไรคุณสมเกียรติ <c oughs> สอบเลยนะวันนี้นะสอบุวิภาษานั้หัวใจของปัญญาคืออะไร <c oughs> อันนี้หน้าแรกของน้องวะกู ว, ว่าเดยนะผู้ที่เคยบวชมานี่ยจำไม่ได้นี่ถือว่ายังยังอบวชยังไม่ครบนะหัวใจของปัญญานั่นบอหนึ่งเป็นคนทําคุณให้คนอื่นก่อนเป็นคนทําดีให้คนอื่นก่อนนะสอง ตอบแทนในสิ่งที่คนอื่นทํากับตัวเองคือ 1. พ่อแม่ของเราเป็นตัวอย่างของผู้มีปัญญาคนแรกคือดูแลเรามา 2. เราพูดถึงระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่คุณใครก็ตามผู้ที่มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าต้นไม้ภูเขาแผ่นดินแล้วก็ผู้คนทั้งหลายในสังคมนี่นะที่เราอยู่ได้ทุกวันเนี่ยเราไม่ใช่ตัวโลาคนเดียวนะถ้าตัวคนเรเราอยู่ไม่ได้แต่เพราะอาศัยบุคคลทั้งหลายทั้งปวง อาศัยทหารตำรวจอาศัยพ่อค้าประชาชนอาศัยพื้นฟูงอาศัยเจ้านายอะไรต่างๆเนี่ยเราถึงอยู่ได้การที่เรานึกถึงคุณของท่านเหล่านี้แล้วก็พยายามที่จะทำตนให้ดีมีความสุขโดยที่มีปัญหาชื่อว่าผู้มีปัญญาเพราะนั้นหัวใจของปัญญามีสองอย่างคือหนึ่งทำดีให้คนอื่นก่อนสองทุกความดีที่คนอื่นทาให้ตัวเองนั้นต้องได้รับการตอบแทน เรียกว่ามีกตันยุกตาเวทีรู้ไหมว่าคนที่เป็นคนอ่าเป็นสาวกชั้นยอดที่เป็นอั克拉สาวกที่มีกตัญยุสูงสุดท่านผู้นั้นได้แก่ใครพระสาริบุตรใช่ไหมอ่าพระสารีบุตรเป็นคนที่มีปัญญารองจากพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นคนมีความกะตัญยุอาจารย์คนแรกของท่านคือพระอาจารยชีใช่ไหมท่านได้ข่าวว่าพระอาจารยชีนอนอยู่ที่ไหนเนี่ยท่านจะนอนหันอ่าหันใสศีรษะเวทีนั้นเพื่อบูชาคุณอาจารย์ เพราะนั้นคนที่มีปัญญาคือคนบูชาเรื่องการันตีเป็นหัวใจแต่ถ้าหากว่าคนปัจจุบันมีปัญญาเยอะแต่ถ้าหากว่าไม่มีความการันตีถือว่าไม่ใช่เป็นปัญญาที่ถูกต้องไม่เป็นสมาปัญญาแต่ในที่สุดเราก็ต้องการันตีกับร่างกายของเราเองใช่ไหมที่มันให้เราใช่เพราะฉะนั้นกดูแลเขาให้ดีดูแลเขาไม่ให้อ่าเจ็บป่วยดูแลเขาไม่ให้ทุกข์ลาบากเกินไปนและในขณะเดียวกันเราก็ต้องดูแลเขาในทางที่ถูกนะดังนั้น ทำสี่ชุดนี้เป็นหน้าแรกของพระมหาสมณเจ้าที่บัญญัติขึ้นเป็นประวัติของผู้เข้าสู่ศาสนาคนแรกไม่ว่าคนนั้นจะบวชหรือไม่บวชกันชุดที่หนึ่งคือทำให้เหมือนพ่อแม่ได้แก่สติสัมมชัญญะดูแลเราตลอดพ่อแม่คู่แรกของเราอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอาจจะเป็นผู้ให้กหําเนิดเรามาแต่พ่อแม่คู่ที่สองคือสติได้แก่แม่และสัมมชัญญะสัมมชัญญะกับปัญญาเนี่ยเขาเป็น ทำต่อเนื่องกันเป็นพ่อนะนั้นพ่อแม่คู่นี้จะรักษาเราไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าแด้รักษาเราจนกระทั่งว่าหมดทุกข์คือสติสมัมปญะนั้นนิยามของคาว่าพระหันคือผู้ที่มีสติสัมปญะสมบูรณ์นะเขาก็จะไม่ทุกข์ต่อไปนั้นพ่อแม่เขาไดา้ได้รับการดูแลอย่างสมบูรณ์และได้รับการเลี้ยงดูอย่างสมบูรณ์ลนะชุดที่หนึ่งคือ สติสัมยาชุดที่สองได้แก่ทีริโอตปะชุดที่สามได้ขันติสโสรเจะชุดที่สี่ก็คือตัวกัตัญญูกตเวทีนะแล้วนั้นเองในการที่เราจะเปลี่ยนไตรสิกขาไตรลักษณ์ให้เป็นไตรสิกขาได้สําเร็จเราจะต้องมีคุณธรรมพื้นฐาน4ประการเนี่ยให้ได้ก่อนนะแล้วก็ถือว่าเป็นการรักษาศีลได้ทั้งหมดดังนั้นที่เราสมาทานศีลมาวันนี้สิ่งหนึ่งที่ สิ่งใดก็ตามที่จะเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการควบรวมการปฏิบัติในช่วงห้าวันเจ็ดวันเนี้ยเราพยายามที่แก้ไขสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อกี้อามาผ่านมาทางโต๊ะลงทะเบียนมาได้ถามว่าให้พวกคุณได้เก็บโทรศัพท์ของนับปฏิบัติไว้ทั้งอย่างถ้าคนไหนยังไม่ลงทะเบียนยังไม่เก็บโทรศัพท์เรายังไม่รับลงทะเบียนนะโ อ, อ้เดี๋ยวเ๋ยวลืมไปหลวงพ่อเดี๋ยวตอนกลางวันจะเก็บว่าไงนะทางนี้เพื่ออะไรเพื่อตัดสายใหญ่แห่งวิบากกรรม เพราะวิบากกรรมเนี่ยเขาจะติดตามเรามาขอส่วนบุญถ้าเขารู้ว่าเรามาบําเพ็ญวิปัสสนาเนี่ยนะบางทีเราเพิ่งลงมือทำเลยยังไม่ได้อะไรเป็นเรื่องเปล่าเลยจะไม่เขาเขามาขอมาทวงนี้ละเพราะฉะนั้นวิธีการนนหนึ่งที่เขาจะมาทวงเราคือใช้สายใหญ่ของเราคือตัวประสานถึงตัวเราคือโทรศัพท์เพราะฉะนั้นอันดับแรกที่สุดถ้าหาลงาวงพ่อบอกให้เก็บโทรศัพท์อย่าไปติดอารมณ์นะ อันนั้นหลวงพ่อใช้วิธีตัดวิบา ก, กรรมอันดับแรกแตัดสะพานกรรมว่างั้นไม่ให้มาถึงตัวเราหลงพ่อเจอมาเป็นร้อยร้อยงานเนะี่ยว่าก็จะมารู้ได้ว่าอ๋ออันนี้เป็นตัววิบาสําคัญบางทีตั้งใจมาม า, มาห้าวันมาได้สองวันโทรศัพท์ามาจากบ้านโวนเลยเนี่ยรูปนะ่าถูกจับเข้าคู่ในใจตรงพา อ, อะไรเพราไปสูบยากับเพื่อนว่างั้นตั้งใจมาห้าวันสองวันรีบกับบ้านเลยนะเป็นอย่างนี้เป็นแล้วเป็นอีก ก็เลยเอมันคงจะเป็นสายวิบากรรมนะก็เลยค่อยๆเก็บต่อมาบางคนก็อรู้ว่าพระอาจารย์จะเก็บโทรศัพท์ก็เตรียมมาสองเครื่องว่างสามเครื่องอเครื่องที่หนึ่งจำได้เก็บไปา่าฉันจะมีเครื่องที่สองที่สามที่สีโอ้ขนาดนั้นเลยที่เดชทั้งคุณนี่ว่ากันนะดังนั้นในเป้าหมายในการที่เราสมาทานศินวันนี้ก็คือเราจะอะต้องมีความอดทนในการที่จะ อาตัดเยื่อใยบางสิ่งบมื อ, อย่างเพราะว่ามันเป็นการช่วงของการฝึกฝนเมื่อช่วงของการฝึกฝนนี้เราก็จําเป็นจะต้องอดทนหลายๆด้านด้วยกันอาจจะต้องกดระเบียบเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้เรามีเวลาศึกษาเรื่องนี้มากที่สุดแล้วเรารู้ว่าถ้าชีวิตของเรามันสะดวกสบายเกินไปเนี่ยมันเป็นเหตุให้เราได้ล่วงละเมิดศีลด้ง่ายแต่ในขณะเดียวกันในช่ว ง, งการฝึกฝนเราก็หม่ถึงว่า ต้องทุกข์ลำบากทรมานเกินไปแต่พอมีการศึกษาดังนั้นเองในการศึกษาร่วมกันครั้งนี้ต้องการเพียงแต่ว่าส่งเสริมพืชคือโพธิจิตโพธิปัญญาของเราที่ทุกคนมีอยู่แล้วเนี่ยให้เติบโตขึ้นได้แต่และครั้งแต่และครั้งไปทุกครั้งที่เราก็มาเข้ารับฝึกเข้าคอร์สเนี่ยเหมือนหรือว่าเราได้มาลดน้ำให้ปุ๋ยต่อโพธิปัญญาของเรา ให้เติบโตขึ้นเมื่อโพธิปัญญาของเราได้เติบโตขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะออกดอกออกผลแล้วออกมักออกผลออกมานั้นพุทธิเจ้าทุกองค์จึงแต่ซูใต้ต้นโพต้นนั้นจะเป็นต้นอะไรก็ตามนะแต่มันเป็นชื่อของข้อโพธิปัญญาโพธิปัญญาคืออะไรคือสติสัมปชัญญานะงนั้นการที่เราคอยกระตุ้นกระเตื้องให้รู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยโพธิปัญญาของเราก็เติบโตแต่แน่นอนอ่ะมันจะต้องมีอุปสรรค เหนะมือนก็เราปลูกต้นไม้ยังต้องมีนอนมีบ่วงมีแมลงมีอะอะไรมากัดมาชอนมาใช้เราก็จะต้องดูแลแหละแล้วในช่วงที่เราปฏิบัติหนึ่งเราจะต้องมีความขี้เกียจเข้ามาเบียดเบียนความง่วงเข้ามาเบียดเบียนความเบื่อเข้ามาเบียดเบียนความอึดอัดขัดเคืองเข้ามาเบียดเบียนความฟุ้งซ่านเข้ามาเบียดเบียนความง่วงเหงาห้านอนความขี้เกียจมันค่อยๆมาเบียดเบียนตลอดเพราะ น, นั้นคือเจ้ากรรมในเวรเก่าของเราเขาก็จะต้องมาขอส่วนบุญล่ะแต่ถ้าเรารู้เราเท่าทันอย่างนี้เราก็ ตั้งใจนะมันระวังนะเพราะนั้นหลังเพลนแล้ววันนี้เราพร้อมใจกันว่าไงเก็บโทรศัพทนะ์สีล<ส>ข้อแรกที่สุดนะเพื่อป้องกันทางแห่งวางนะ เ, เก็่โทรศัพท์แต่ว่าหลวงพ่อเก็บไม่ได้เพราะอะไรตอนนี้มีคนหลายคนที่เก็บไออารมณ์เข้มอยู่ทั่วนะทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งที่กาโก้พอติดาา อ, อารมณ์มาโทรหาหลวงพ่อเราเอหลวงพ่อจะทาไงเนี่ยเติดอารมณ์อันนี้รัสเซียอยู่จอร์เนียเก็บเนี่ยอารมณ์อยู่สองลาย มาจากเชียรกโกเพราะเขาไปปฏิบัติกับหลวงพ่ออยู่ที่แอเรนตาเมื่อเดือนอที่เดือนกุมภาเดือนกุมภาที่ผ่านมานะก็ปรากฏว่าได้อารมณ์เขาไปเก็บอารมณ์ต่ออที่บ้านของโยมคนหนึ่งที่เขาดูแลแทนอยู่เพราที่อเมริกานี่ในรัฐไหนก็ตามพระองค์พ่อไปอบรมหลายครัง้งก็จะมีผู้นําภาวนาประจําอยู่ถ้าใครอยับได้เก็บอารมณ์ก็า ม, มาบ้านคนนั้นก็มาเก็บอารมณ์ให้เขาดูแลนะะ ดังนั้นในการภาวนาในวิธีการวอดเหียนนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเพราะเราจะต้องเผชิญกับความจริงเราจะไม่หลบไม่จำเป็นเราจะไม่หลบหนีเราจะเผชิญความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือความไม่สบายทั้งกายทั้งใจได้ต้องเผชิญไม่หลบไม่หลีกไม่เลี่ยงแล้วก็แก้ไขไปสองความจริงที่บางครั้งเราก็สบาย เราก็จะไม่เสพไม่สวยไม่ติดไม่ยึดไม่แช่ไม่จมอยู่กับความสบาย 3. ความจริงคือบางครั้งมันเหมือนไม่มีอะไรโลง่ลงๆสบายเฉยๆร่านะงกายก็รู้สึกสบายจิตใจก็รู้สึกสบาในจุดนี้ก็จะทำให้เราเข้าไปเสพได้ง่ายนะเพราะนั้นความจริงมี3อย่างหนึ่งความจริงในส่วนที่เป็นความไม่สบายคือความทุกข์ทุกขอริยสัจ 2. ความจริงเมื่อมีทุกข์แล้วมันก็จะมีการปวดเพื่องแก้ไขนําไปสู่ความสบายก็มีในบางคราว3ปวดเพื้องแก้ไขแล้วก็นําไปสู่ความพอดีสักพักหนึ่งมันก็เปลี่ยนไปใหม่ลักษณะความจริงลักษณะนี้เรียกว่าปวดของไตรลักษ์ทํางานอยู่ตลอดเวลาในรูปแบบต่างๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยกระตุ้นกําลังของสติสัมปชัญญะให้มีกําลังอยู่เสมอเพื่ออะไรเพื่อให้รู้เท่าทันความจริงอันนี้ เมื่อรู้เท่าทันความจริงนี้ทุกครั้งโดยที่จํากัดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของร่างกายไม่ให้เข้าไปสู่จิตนี่คือหน้าที่ของศถิติญาตที่เราทําเนี่ยนะแต่ถ้าหากว่ากําลังของศถิติญาติที่เราทำ <c oughs> ไม่เข้มแข็งพอไม่สามารถสกัดกั้นกําลังของตจรักที่มันอยู่ในกายเนี่ยไว้ได้มันก็สร้าสู่จิตเมื่อเข้าสู่จิตมันจะออกมาเป็นความคิดและออกมาเป็นนิวรณ์ ทุกครั้งความคิดอนิบาลเกิขึ้นให้รู้ว่าเราจัดการกฎของไตรลักษณ์ไม่ให้อยู่ในร่างกายเนี่ยได้มันถึงไหลเข้าสู่จิตนะดังนั้นการทําความเพียรเราจึงทําแบบสบายๆคือไม่นั่งนานเกินไปไม่เดินนานเกินไปสลับยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเพื่ อ, เ พ, อเพื่อดูแลสมดุลระหว่างความสบายไั่สบายเนี่ยให้เท่าเทียมกันแล้วจิตของเราก็จะ าลาบลื่นไปเลยนั่นเป็นเหตุกล้าให้เกิดตัวปัญญาโทธิปัญญาเพราะจิต ท, ที่จะเกิดปัญญานั้นไม่ใช่เป็นจิต ท, ที่อื่นอัดเขับแค้นหรือไม่ไม่ใช่จิต ท, ที่สบายแต่เป็นจิต ท, ที่พอดีพอทนได้นะพอทนได้ไม่ให้สบายเกินไปและไม่ให้ทุกข์เกินไปนั้นในสมัยครั้งพุทธกาลเขาไม่ได้ทักถามแบบอย่างปัจจุบันไม่ได้ถามว่าเว้ยไงวันนี้สบายดีไหมเนี่ยเราถามกันใช่ไหมคุณชุกเกิสบายดีไหม ถาบอกสบายดีแสดงว่าคุณพูดไม่จริงเนี่ยเพราะความจริงคุณไม่สบายใช่ไหมเพราะนั่งปวดแข้งปวดขาอถ้าเขาจะถามเมืงไงพระพุทธเจ้าจะถามพระโสควาเขมรียังอวโุโสพระก็จะตอบว่าเขมรียังพันเตหมายความว่าพอทนได้ไหมท่านอทนได้อเขมรียังพันเตพอทนได้ขอรับนี่เพราะฉะนั้นตัวลักษณะของความจริงที่เราประสบตลอดเวลาคือความรู้สึกสามอย่าง หนึ่งรู้สึกสบายสองรู้สึกไม่สบายสามรู้สึกเป็นกลางนิดนิดหนึ่งแป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนไปแล้วเราก็เฝ้าดูเฝ้าดูของสามอย่างนี่แหละแต่ละวันแล้วก็บริหารมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเกิดทักษะเกิดทักษะคือเกิดความชำนิชำนาญสามารถเห็นความรู้สึกสามอย่างเนี่ยลอยอยู่ในด้านความรู้สึกของเราตลอดเวลาแล้วจิตของเราก็จะเป็นกลางนะลักษณะนี้เรียกว่าโพธิปัญญาก็เติบโต นะแต่ว่าในบางครั้งบางคราวถ้าหากว่าจิตของเราไม่ได้อยู่ในความรู้สึกสามอย่างนี้มันก็แฉลบออกไปอยู่กับความคิดอยู่กับอารมณ์นั่นหมายความว่าเราออกนอกทางของโพธิแล้วก็กลับเข้ามานะดังนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้จิตมันแช่อยู่ในความสุขหรือความสบายเกินไปและเพื่อไม่ให้จิตมันไปยึดเอาตัวทุกขเวทนามาเป็นที่ตั้งบางบางกรรมาฐานบางสายก็ค่อนข้างความเพียรนนะบางคนก็ค่อนข้าง จะใช้คำ อ, อะไรซาดิษเนี่ยนะหมายว่าเดินกันจนเดินจงกมจนเลือดสั่นเลยว่าตีนแตกอะไรแตกก็ไม่ยอมอันนี้ก็เรียกกำวมาทานแบบซาดิษรุนแรงเกินไปก็ไม่ได้นะบางคนก็เดินจงกรมแล้วก็ง่วงไปอะไรไปหัวชนขายส่วนเสาก็เดินไม่ต้องหยุดลักษณะนี้ก็ไม่ถูกนะก็ต้องปรับให้พอดีเพราะมีทางแก้เยอะแยะมากมายตอนนั้นในช่วงเชา้าตั้งแต่ตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยตื่นไหวไหมไหวนะ นที่4ถึงที่5ในวิธีการของข้อก็คือต้อง m ม่ฟูลแอซเซส s ซน์นะคือหมายก็ว่ามีการออกกำลังกายร่วมกันนะอันนี้ทำมาระยะ 2-3 สาปีว่าได้ผลทำให้ร่า ง, งกายของเราสมดุลแล้วก็นั่งปฏิบัติทั้งวันไม่มีปัญหาไม่ปวดง่ายไม่เมื่อยง่ายเพราะเราศึกษาเพื่อจะให้ดูแลร่างกายมีสมดุลท่า4ดื่มน้ำดมไฟเพราะนั้นช่วงเช้าเราสมดุลดื่มน้าดมไฟหชั่วโมงตั้งแต่ทีส ตื่นขึ้นมาถึง ต, ตี5ใครตื่นทันไม่ทันก็อยู่ในระหว่างนี้นะคนไหนตื่นทันก็ได้ทําเยอะหน่อยคนไหนตื่นช้าก็ได้ทําน้อยหน่อยอช่วงตีหความจริงตื่นมาช่วงเช้าหนึ่งพ่อยังไม่ใหญ่ก็ให้ไปอาบน้ําล้างหน้าอะไรหอกกําลังกายก่อนพอออกกําลังกายเสร็จแล้วก็พอมาทําวัดเอามาก็รู้ว่าเออระยะสาวันแรกนี่นะเราปฏิบัติร่วมกันก่อนแล้วก็3ามสี่วันหลังเนี่ยเราก็จะคัดแยกอะคนไหนที่เริ่มได้สภาวะเริ่มได้อารมณ์นิวรน์ร่มเบาบางก็ให้คู่เก็บ ส่วนตัวคนไหนที่พออยังไม่ค่อยเต็มที่มาปฏิบัติร่วมกันก่อนเพราะคนไหนเริ่มได้อารมณ์ก็เข้าเข้าเก็บปฏิบัติส่วนตัวถ้าหากว่าคนไหนตั้งใจปฏิบัติก็อาจจะเข้าเก็บตั้งแต่แรกเลยผมก็สังเกตไปเรื่อยๆนะเอาตามสภาวะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้สภาวะอารมณ์เลยเข้าไปเก็บตัวอยู่คนเดียวมันก็ไปตามกิเลสกิเลสอภิกิดหมดนะแต่ถ้าเริ่มได้อารมณ์เริ่มได้สภาวะเราไปนั่งทําดูว่าได้หลายชั่วโมงไหมแต่ละขณะ ซึ่งเราจะพิจารณาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นลายๆไปว่าคุณไหนที่ยังใหม่ยังไม่ได้เล ย, เลยก็เอามาผ่าปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้นิวรนรบวนนะช่วงระหว่างกลางพักเวลาเนี่ยเราจะเน้นให้ประคองสติไม่ใช่คุณไปนั่งสร้างจังหวะโดยจัทั้งวันว่าเวลาคุณไปลุกไปทำกิจกรรมคุณหลุดหมดนียอันนี้ไม่เหมาะนะแต่ว่าเราจะแอพลายหรื อ, รอจะไปยุคเจริญสติมาทั้งวันเนี่ยออกไปใช้ในกิจกรรม ในเวลามีการเคลื่อนไหวไปอาบน้ําไปล้างหน้าไปรับอาหารอะไรต่างๆเนี่ยถ้าใครคอยประคับประคองศึกษาจุดนี้ให้ได้มากโดยที่ทําใจให้ส บ, สบายๆนะไม่ให้เครียดเกินไปไม่ให้ตึงเกินไปลักษณะนี้กําลังของสติสัมก็จะตั้งอยู่ได้นานแล้วก็เวลาเราออกจากคอร์สไปเนี่ยเราก็ใช้ไปได้นานเพราะว่าเราได้ตอกย้ําทุกวันนี่ในแง่ของทฤษฎีวิชาการที่เราฟังจากครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วเนี่ย แต่ตัวสภาวะที่เราสามารถสัมผัสได้ในแต่ละขณะเ น, นี้ตัวนี้ยังไม่คมชัดยังตั้งอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าหากว่าตัวนี้ตั้งอยู่ได้นานแล้วก็ตัวสภาวะต่างๆแล้วจิตของเรามันก็จะค่อยสงบค่อยเย็นไปเองโดยเป็นสมาธิโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหรือไปทําอะไรพิเศษต่างหากแค่ว่าสติสมญาอยู่ในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสัมมาสติเป็นสมมาสมาธิ โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรพิเศษต่างหากแล้วมันเป็นธรรมชาติเพราะสมาธิที่เกิดโดยธรรมชาติเป็นสมาธิที่เข้มแข็งเป็นสมาธิที่พร้อมที่จะใช้งานนะแต่สมาธิที่เราไปทำอะไรพิเศษเนี่ยบางทีมันก็ได้เฉพาะที่เราทําพอเราลุกไปจากที่นั่นมันก็เป็นเรื่องใหม่ประคองไม่ได้เพราะมันไมมีกําลังแต่สติสมาสติสัมปชัญญะที่เราประคองไปอย่างถูกต้องต่อเนื่องในกิจวัตรประจําวันเนี่ย มันจะเป็นสัมมาสติโดยสัมมาสมาธิโดยธรรมชาติและตัวนี้จะเอื้อให้เกิดปัญญาคือหมายความมีความตื่นรู้ได้สบายตลอดเวลาโดยที่ไม่มีการบังคับกดเกง็งเคร่งเครียดหรือบีบกายบีบใจของตัวเองประคองแบบสบายนะอันนี้ก็คือเรื่องปฐมนิเทศช่วงเช้านี้ใครมีข้อสงสัยอะไรไหมเรื่องของวิธีวิธีการ ชุดออกกาลังการถึงเช้านี้ถ้าเป็นแการเคีงได้พอดีเนาะใชครับเอามาตั้งแต่ทําเวอร์ชั่นนี้มาเนี่ยมันก็ตามปกติเอามาเป็นคนขี้โรคเนาะหลังจากทําเรื่องภาวนาป้องกับเรื่องนี้มาก็เป็นคนเข้มแข็งเลยทํางานได้ตลอดปีโดยที่ไม่พักเลยนะอ่าแล้วทางานได้ทั้งหนักทั้งเบาเอามาอยากจะให้ญาติโยมได้มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะว่าในเวอร์ชันนี้ครูบาอาจารย์ธรรมานทั่วไปเขาก็ไม่เคยทํากันเนาะแต่สําหรับเอามันมามันได้ได้ประโยชน์อ ะ, อะได้ประโยชน์มาเดินทางกันทั่วโลกในแต่ละปีแต่ว่าไม่มีเวลาพักเลยแต่มันก็อยู่ได้สบายแต่ปีนี้พลาดปนี้นไปเจออากาศที่อยู่ท่าเนาะเปิดอบรมที่นั่นวันหนึ่งสามฤดูช่วงเช้าหิมะลงช่วงกลางวันฝนตกช่วงเย็นแดดมาเป็นอยู่สามวันขนาดร ะ, ระบบฮิตในอาคารมึงปรับไม่ทัน เป็นไข้หวัดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาทั้งที่อยู่ที่เมกกาที่ยุโรปไข้หวัดทํางานตลอดกลับมาเมาืองไทยถึงหายอากาศปรับก็ในช่วงที่เราเดินทางทํางานบางทีการออกระวังการไม่เต็มที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะให้ญาติโยมได้ฝึกเรื่องนี้เอาไว้เพราะว่ามันเป็นการรักษาตัวเองรักษาลูกให้เข้มแข็งรักษานามให้เข้มแข็ง แต่ถ้าหากว่าเราร่างกายจิตใจเข้มแข็งเนี่ยเวทนาไม่เบียดเบียนเวทนาไม่เข้มแข็งเวทนาไม่ครอบงำ <c oughs> ก็ทําให้เราประคับประคองจิตได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าเรามีร่างกายที่ไม่เข้มแข็งแล้วเวทนามันแรงเมื่อเวทนามันแรงแล้วมันประคองยากมันก็จะไปเป็นแต่ความคิดไปแต่อารมณ์ไม่สบายก็ทําให้เรา <c oughs> ไม่มีระบบป้องกันร่างกายนะดังนั้นก็จึงอยากจะให้ทําความเข้าใจ แต่บางครั้งบางคนก็ยังไม่ไม่ยอมเข้าใจทําใจไม่ได้บางคนนะก็ทางศึกษาร่วมกันไปทางมาที่มาเพื่อการศึกษาเนี่ยมาเพื่อการศึกษาเออร่างกายก็ทํำง่ายๆไปมามีอยสองสาชุดชุดแบบสบายๆช่วงเช้าแรกเนี่ยชุดนี้ชุดต่อไปเข้มแข็งขึ้นมาหน่อยเอาชุดนี้ชุดต่อไปเอาชุดนี้รียกช่วง3วันแล้วก็ตอนกลางวันเราก็จะมีเอาชุดเออกกาลังกายเล็กๆตัวเนี้ยเวลาเราไป ปฏิบัติตลอดทั้งวันช่วงบวญาบางคนไม่เคยเนาะนั่งระยะสามสีชั่วโมงมบางช่วงซึ่งมันก็จะมีง่วงมีเหงามีเบื่อมีเซ็งมีขี้เกียจมีฟุ้งสา่านสลับกันไปสลับกันมาแต่พอเราได้จับเอาไอ้ตัวออกกำลังกายที่เราทำขึ้นมาช่วยนิดหนึ่งมันก็ผ่านไปได้สบายแทนที่เราจะเสียเวลาไปทั้งช่วงเลยเราแก่นิดเดียวนะก็หายนะดังนั้นตกลงว่าตาม ที่ได้กล่าวมาเบื้องต้นว่ารักษาสินคือรักษาใจมีความขันติความอดทนมีสมาธิแล้วก็รู้จักอยู่ร่วมกันด้วยการที่ไม่มีปัญหาเนี่ยมันเป็นการใช้ปัญญาของใครของมันรักษาใจของใครของมันพยายามดูดูแลตัวเองให้มากที่สุดนะในช่วงที่เราปฏิบัติข อ, อบุทนาเพียงเท่านี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจให้เด็ดขาดว่า ในช่วงเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็นตามเราจะพยายามศึกษาเฝ้าดูตัวเองให้คุ้มค่ากับเวลาที่เรามาแล้วก็มุ่งศึกษาเรื่องสภาวะที่เป็นความรู้สึกตัวที่เป็นปรมาทิที่คงที่เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเราจะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็พรตธมมาซึ่งเป็นพระพี่เลี้ยงจะคอยประคับประคองให้กำลังใจและแก้ไขในส่วนที่มีปัญหา ก็ห้ความตั้งใจนี้จะเป็นเพราะว่าปัใจจัยให้เราได้ผ่านพน้นปัญหาสามารถเข้าถึงสภาวะคือด้านจิตของเราสะอาดสว่างสงบด้วยการทุกคนทุกท่านถือ